อีกสูตรหนึ่งนะครับอันธาการสูตรโอ้โหมาเชื่ออันทะอันทานี่ฟังแล้วก็ไม่ม่วนเลยนะครับมืดๆบอดๆเนี่ยนะครับสูตรนี้ต้องเรียนตอนกลางคืนถึงจะซึ้งนะครับปิดไฟให้หมดแล้วก็ฟังสูตรนี่นะจะเห็นเออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอันธาการสูตรนะครับว่าดูกรพิสูทธ์ทั้งหลายอะกุศลวิตก3ามประการนี้ กระทำความมืดมนนะครับคืออกุศลวิตกตัว3ตัวเนี่ยนะมันทำให้มืดเลยนะไม่กระทำปัญญาจากสุขกระทำความไม่รู้คือมันส่งเสริมอวิชชานะยังปัญญาให้ดับเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพานร้ายกาจมากนะอกุศลวิตกสาตัวเนี่ยนะทำให้มืดด้วยตัดขาดปัญญาอีกส่งเสริมความโง่นะครับ ปกปิดปัญญานะครับเป็นฝักฝ่ายแห่งความเขลาว่างั้นเถอะเตะใครว่าตัดเส้นทางแห่งพระนิพพานหมดเลยนะถามว่าอากุศลวิตกสามประการนั้นเป็นชนัคือกามวิตกหนึ่งนะครับพยาบาทวิตกเนี่ยหนึ่งวิหิงสาวิตกเนี่ยหนึ่งดูความพิสูจ์ทั้งหลายอากุศลวิตกสามประการนี่แหละกระทําความมืดมนไม่กระทําปัญญาจาักสุกระทําความไม่รู้ยังปัญญาให้ดับ เป็นไปในฝักฝายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนะครับไม่ได้ส่งเสริมพระนิพพานอะไรเลยดูความพิสูจนทั้งหลายกุศลวิตกสามประการนี้ไม่กระทำความมืดมนกระทำปัญญาจากสุกระทำญาณยังปัญญาให้เจริญไม่เป็นไปในฝักฝายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานกุศลวิตกษามประการเป็นไงนะ คือเนคข ม, มวิตกในอย่างหนึ่งอพยาปาทวิตกในอย่างหนึ่งอวิหิงสาวิตกในอย่างหนึ่งดูก่อนพิสูุนทั้งหลายกุศลวิตกสามประการนี้แหลไม่ทำความมืดมนกระทำปัญญาจากสุกระทำยานะยังปัญญาให้เจริญไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานนะครับแล้วพงค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่า พึงตรึกกุศลวิตกสามประการแต่พึงนำอกุศลวิตกสามประการออกเสียนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้ตรึกนะครับสูตรนี้แต่ว่าให้ตรึกเป็นไปกับกุศลวิตกนะครับตรึกได้แต่ว่าต้องเป็นกุศลกุศละวิตกนะพโยค่าวจร น, นั้นแหลยังมิชฉาวิตกทั้งหลายให้สงบระ ง, งับเปรียบเหมือนฝนยังทุลีที่ลมพัดฟุ้งขึ้นแล้วให้สงบฉะนนั้นนะ ตรึกจนถึงขนาดไหนครับตรึกให้เป็นกุศลวิตกเหมือนกับฝนตกนะครับเพื่อที่จะได้ระ ง, งับฝุ่นอยางนั้นเดี๋ยวกนคนที่ตรึกกุศลวิตกมากๆก็จะระ ง, งับอะกุศลวิตกได้อย่างนั้นพระโยคาวจร น, นั้นมีใจอันเข้าไปสงบวิตกคือกามวิตตกเป็นต้นเนี่ยนะครับได้ถึงสันติบทคือ น, นิพพานในปัจจุบันนี่แหละนะแสดงว่าถ้าตรึกถูกปฏิบัติตรงเนี่ยนะครับก็สามารถบรรลุทำได้นะครับ อัตถกาถาอธิบายนะครับบทว่าอากุศลวิตากาได้แก่วิตกทั้งหลายที่เกิดแต่ความไม่ฉลาดนะชื่อว่าอากุศลวิตกนะครับนนะความตรึกที่ไม่ได้เกิดจากความฉลาดอะไรเลยนะครับเกิดจากความไม่ฉลาดในประโยชน์โลกนี้โลกห น, น้าเป็นต้นนั่นแหละพึงทราบวินิจฉัยในบทเมียที่ว่าอันธการนาดังต่อไปนี้วิตกเชื่อว่ากระทําความมืดมน เพราะเกิดขึ้นเองแก่ผู้ใดจะทําให้ผู้นั้นมืดมนเพราะห้ามการเห็นตามความเป็นจริงนะครับมันปกปิดหมดเลยนะแมนกระว่าหลอกลวงนั่นเองนะครับปกปิดไม่ให้เห็นความจริงแท้แน่นอนอะไรนะครับเชื่อว่าไม่ทําปัญญาจากสุเพราะไม่ทําให้เกิดปัญญาจากสุนะครับคือไม่ให้มีปัญญาจากสุเห็นอริยสัจอะไรเลยชื่อว่ากระทาความไม่รู้นะครับเพราะทําความไม่รู้นะ เออกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะทำให้เกิดความเขา่าบทว่าปัญญานิโรธาชื่อว่ายังปัญญาให้ดับเพราะทำปัญญาสามอย่างเหล่านี้ให้ดับทําอะไรบ้างให้ดับครับกรรมสกตาปัญญาก็จะดับฌานปัญญาก็ดับวิปัสนาปัญญาก็ดับคือหมายว่ามันไม่ทําให้ปัญญาสามอย่างนี่เป็นไปเช่นบางคนก็รู้เรื่องกรรมดีพอสมควรนะครับพอกามวิตกเกิดปัญญาเหล่านี้ก็ ไม่เกิดอีกแล้วนะครับแม้กระทั่งคนที่ได้ชานเนี่ยนะครับพออักุสลวิตตกเหล่านี้เกิดชานก็เสื่อมอีกนะครับหรือแม้กระทั่งวิปัสนาปัญญารู้นะว่าพิจารณาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิปัสนาต้องเจริญอย่างนั้นอย่างนี้พอกรรมมาวิตกเกิดขึ้นโอทีกนะครับมเจริญต่อไปไม่ได้นะครับหรือกําลังโกรธใครอยู่นะครับโทสานึกโกรธใครอยู่เนี่ยนะเป็นพยาบาทวิตกเนี่ยนะนะกรรมสกตากรรมในเรื่องกรรมก็ลืมหมดนะครับชานที่เคยได้หรือจะเสื่อมอีกนะครับ มีปัศนาปัญญาที่เคยไข้ควรก็ไม่พิจารณาไม่ได้หรือแม้กระทั่งนึกจะไปด่าใครจะไปต่อว่าใครนึกจะไปทําลายใครเนี่ยนะกรรมสกทาชาญปัญญาวิปัสนาปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ก็เสียหายหมดนะครับปัญญาเหล่านี้ก็ดับหมดหมายความว่าไม่เกิดเลยอะนะครับชื่อว่าเป็นฝกักฝ่ายแห่งความคับแคนเพราะเป็นฝกักฝ่ายแห่งวิคาตกล่าวคือทุกเหตุที่ให้ผลอันไม่น่าปราถนานะครับ เพราะว่าอากุศลมิตกเหล่านี้นะครับมันมีเจตนาเกิดร่วมด้วยนะครับเจตนาที่เกิดร่วมกับอาคุลมิตรตกนี่นะครับดวงที่1ก็ให้ผลชาตินี้อยู่แล้วมันให้ผลเป็นทุกข์นะครับถ้าหากว่าดวงที่7ก็ให้ผลในชาติหน้า2อถึงหเป็นต้นก็ให้ผลในชาติที่3าเป็นต้นไปมันก็ให้ผลเป็นทุกข์โดยถ่ายเดียวนะครับนี่มันคับแค้นนะเวลาผลของอาคุลทังองอ้งหลายมันให้ผลเนี่ยนะครับมันคับแค้นทั้งเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะครับ และก็ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปนิสัยเพื่อไม่ให้ปัญญาเกิดอย่างที่กล่าวไปแล้วมันก็คับแคลมสิครับปัญญาถ้าไม่เกิดเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายมากนะครับชื่อว่าไม่เป็นไปเพื่อนิพานเพราะไม่ยังกิเลสนิพานให้เป็นไปนะไม่ได้เป็นไปเพื่อดับกิเลสเลยนะครับบทว่าการมวิตักโกถามว่าไ อ, ไอ้ความชั่วร้ายที่ว่าไปคืออะไรบ้างคือกามวิตักโกนะครับวิตกที่ปฏิสังยุทธ์ด้วยธรรมะ อธิบายว่ากามวิตกนั้นอ่ะเป็นวิตกที่ประกอบด้วยกิเลสกามแล้วเป็นไปในวัตถุกามนะครับได้แก่โลภามูลจิตนั่นแหละครับที่มีวิตกที่เป็นไปกับโลภามูลจิตซึ่งมีโลภะเป็นเหตุปัจจัยนะครับเป็นรากของความคิดอันนั้นตรึกไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็ในโผฏฐัพพะนะหมกมุ่นไปในลักษณะนี้เรียกว่ากามวิตกนะครับ ก็โลภะที่คิดถึงรูปคิดถึงเสียงกลิ่นรสโภชภะทั้งหลายแลยนะครับวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยพยาบาทชื่อว่าพยาปาธาวิตกนะครับวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะมูลจิตนะครับซึ่งมีโทสะเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยนะครับเป็นรากเงากันเลยคิดไปนะครับส่วนวิตกที่ปฏิสังยุตตด้วยวิหิงสาชื่อว่าวิหิงสาวิตกนะครับ บอกว่าวิตกทั้งสองอย่างนี้นะครับคือการวิตกกับพยาบาทวิตกเกิดในสัตว์บ้างเกิดในสังขารบ้างอธิบายว่าการมวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้วิตกถึงสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจถ้าพูดนะก็คือตรึกถึงคนรักข้างลายแรงนี่อย่างหนึ่งหรือว่าตรึกถึงพวกดอกไม้ของหอมนะครับบ้านช่องห้องหอเป็นต้นเนี่ยนะครับตรึกแบบนี้เรียกว่ากามวิตกเพราะตรึกไปด้วยโลภะ ส่วนพยาบาทวิตตกก็คือเกิดขึ้นในสัตว์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจตั้งแต่เวลากโกรธนะเวลาที่เขากโกรธแล้วมองดูไปจนถึงให้ชีบหายนะครับมองดูเอ้ยมันอยากเข็นอยากฆ่าไปแล้วเกินนะครับโทสะมันกำเริบเสบรส้างไปเรื่อยเรื ย, เ ร, ย, เ, รยเรื่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าสังขาร น, นะสังขารพยาบาทในสังขารโทสะในสังขารก็เช่นเขามาทํางานให้เราไม่ถูกใจหรือทิ้งเลยนะครับลักษณะนี้นะครับเรียกว่าพยาบาทนะ แต่วิหิงสาวิตกนี่นะครับไม่เกิดในสังขารเลยเพราะว่าธรรมดาว่าสังขารที่จะให้เป็นทุกข์ไม่มีแต่จะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายในเวลาที่คิดว่าขอสัตว์เหล่านี้จงลำบากนะครับคืออยากให้สัตว์เนี่ยนะครับได้รับความทุกข์ความยากความลำบากหรือว่าเออขอให้สัตว์เหล่านี้มันถูกฆ่านนะขอให้สัตว์เหล่านี้มันสาบสูญขอให้สัตว์เหล่านี้จงพินาศไปบ้างอย่าได้มีเลยบ้างนะครับความคิดลักษณะนี่เราวิหิงสาวิตกนะ ให้มันพวกมันลำบากนะเช่นถูกเคี้ยนถูกเข็นถูกฆ่านะครับให้มันคาศูนย์ให้มันพินาศมันจะได้มีอีกเลยเป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยคิดแบบนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกอันอกุศลวิตกทั้งสามอย่างนะครับคือการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะครับมันเป็นวิตกที่เกิดจากอากุศลนะครับมันไม่ฉลาดเลยนะทําความมืดมนไม่ทําปัญญาจากสุให้เกิด ส่งเสริมความโง่เขลาทำปัญญาให้ดับนะครับกรรมมสกตาฌานปัญญาวิปัสนาปัญญาก็จะดับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นนะครับเป็นอุปนิสัยให้เจตนาให้ผลที่ไม่น่าปรานะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อดับกิเลสตัณหาอะไรเลยก็ความดำริในการเป็นต้นก็คือกร ม, มวิตกเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองอธิบายว่าโดยเนื้อความแล้วกรรม วิตกเป็นต้นกับกาสมสังกัปปะเป็นต้นไม่มีข้อแตกต่างกันเลยนะครับกามวิตกกาสมสังกัปปะนะครับส่วนสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยกาเป็นต้นชื่อว่ากามสัญญาเป็นต้นก็เพราะเหตุที่ความแปลกการแห่งกามาธาตุเป็นต้นจะพึงหาได้เพราะมาแล้วในพระบาลีว่าความตึกความตรึกตรองอันประกอบด้วยกามิจฉาสังกัปปะนี้เรียกว่ากาสมาธาตุเพราะฉะนั้นคําว่ากามวิตกกาสมสังกัปปะ การมสัญญากามาธาตุนะตระกูลเดียวกันนะครับเป็นไปในเรื่องเดียวกันหมดเลยความตรึกความตรองอันประกอบด้วยพยาบาทมิจฉาสังกับปะนี่เรียกว่าพยาปาธาตธาตุความที่จิตอาฆาตในอาคาตวัตถุ1ิบความอาฆาตม้าร้ายความที่จิตไม่แช่มชื่นนี้เรียกว่าพยาปาธาธาตุความตรึกความตรองอันประกอบด้วยวิหิงสา มิจฉนะาสังกปะนี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเบียดเบียนสัตว์ด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งคือฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาตราเชือกนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกนะครับนึกจะทุบไปตีไปทุบไปเขี่ยนไปเข้นไปฆ่าเป็นต้นนี่นะครับเรียกว่าวิหิงสาวิตกอันพวกนี้ก็อาคุศนวิตกทั้งหลายนะครับเพิ่งทราบเนื้อความในธรรมะฝ่ายเขานะครับโดยปริยายที่ แยกจากที่กล่าวแล้วต่อไปวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยเนคข ม, มะชื่อว่าเนคข ม, มะวิตกนะครับก็คือที่เป็นไปกับกุศล น, น, นะนะเอ๊แล้วเนคข ม, มะขอบเขตแค่ไหนล่ะบอกว่าเนคข ม, มะนั้นเป็นกามาวจรในส่วนเบื้องต้นที่เจริญอสุภะคือก็คือกุศลจิตที่มีอสุภาพเป็นอารมณ์นั่นแหละครับกุศลจิตอันนั้นแหละเรียกว่าเนคข ม, มะที่เป็นกามาวจรก่อน เนคขมมะเป็นรูปราวจรในฌานที่มีอสุภะเป็นอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่อสุภะฌานเกิดขึ้นนะตัวฌานในจิตก็เป็นเนคขมมะเหมือนกันหรือว่าในเป็นโลกุตระในเวลามักผลเกิดขึ้นเพราะกระทําฌานนั้นให้เป็นบาทนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคําว่าเนคขมมะนะครับเนคขมมะนั้นอ่ะเป็นทั้งมหากุศลเป็นฌานากุศลและก็เป็นอริยมรนะครับ นะเอาสามอย่างเลยนะทั้งที่เป็นมหากุศลทั้งที่เป็นฌานกุศลและโลกุตระกุศลนี่เรียกว่าเนคขมาวิตกวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยความไม่พยาบาทชื่อว่าอภยาปาทาวิตกอภยาปาทาวิตกนั้นเป็นกามาวจรในเบื้องต้นที่เจริญเมตตาเป็นรูปาวจรในฌานที่มีเมตตาเป็นอารมณ์นะครับคือฌานที่เป็นไปกับเมตตานะ เป็นโลกุตระในเวลาที่มรรคผลเกิดขึ้นเพราะกระทามฌานนั้นให้เป็นบาศัพน์อะพยาปาธาวิตกนั้นได้แก่อะไรครับเป็นมหากุศลก็ได้ที่เป็นไปกับเมตตาเป็นฌานก็ได้ในขณะที่ฌานเนี่ยเป็นไปกับเมตตาแล้วก็อาศัยฌานนั้นเป็นบาทก็เป็นอุปนิสัยให้โลกุตระมรรคผลเกิดอย่างนี้เรียกว่าอพยาปาธาวิตกนะท่านก็ขยายเป็นทั้งกุศลทั้ง สระดับเลยนะกามาวจรรูปาวจรและโลกุตระเลยนะครับวิตกที่ปฏิสังยุต์ด้วยอวิหิงสาชื่อว่าอวิหิงสาวิตกนะครับอวิหิงสาวิตกนั้นเป็นกามาวจรในส่วนเบื้องต้นนะครับที่เจริญกรุณาเป็นรูปาวจรในส่วนที่มีกรุณาเป็นอารมณ์นะครับเป็นโลกุตระในเวลาที่มรรคผลเกิดขึ้นเพราะการทําฌานนั้นให้เป็นบาศ ทางนี้ก็สรุปนะครับว่าอาวิหิงสานี่แค่ไหนครับก็คือเป็นมหากุศลก็มีเป็นชาณกุศลก็มีอาศัยมหากุศลชาณกุศลเป็นบาทก็มารลุมรรคผลเนี่ยนะครับก็เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นอวิหิงสานั้นเป็นทั้งกามาวจรรูปาวจรและโลกุตระนะครับแต่เมื่อใดอะโลภาเป็นประธานเมื่อนั้นเมตตาและกรุณาทั้งสองนอกนี้ก็จะคล้อยตามอะโลพนั้น คือแล้วแต่ตัวใดเป็นประธานนะครับถ้าหากว่าเมตตาเป็นประธานเมื่อนั้นอะโลพะและกรุณาเนี่ยนะครับทั้งสองก็จะคล้อยตามเมตตานั้นเมื่อใดกรุณาเป็นประธานเมื่อนั้นอะโลพะและเมตตาทั้งสองอย่างนอกนี้ก็จะคล้อยตามกรุณานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนคราะมสังกปะเป็นต้นก็คือเนครามะวิตกเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองนะครับ โดยเนื้อความแล้วเนคข ม, มวิตกเป็นต้นกับเนคข ม, มสังกปะเป็นต้นไม่มีข้อแตกต่างกันเลยแต่สัญญาที่สัมปยุทธด้วยเนคข ม, มวิตกเป็นต้นเชื่อว่าเนคข ม, มสัญญาเป็นต้นนะครับที่จริงก็ตระกูลเดียวกันนะนะเป็นไปพร้อมกันนั่นแหละครับถ้ายกวิตกขึ้นเป็นประธานก็เรียกว่าเนคขมวิตกถ้ายกสัญญาเป็นประธานก็เรียกว่าเนคขมสัญญาแต่ก็เป็นมหากุศลเป็นรูปาวจรกุศนเป็นอรูปาวจรกุศน เป็นโลกุตระกุสลแนวเดียวกันนะครับก็เพราะเหตุที่เนคขมธาตุเป็นต้นมีความแตกต่างกันเพราะมีมาในพระบาลีว่าความตรึกความต ร, ตรองความลำริชอบอันประกอบด้วยเนคขมเชื่อว่าเนกขมธาตุกุศลธรรมแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าเนคขมธาตุความตรึกความตรองความลำริอันประกอบด้วยความไม่พยาบาทชื่อว่าอัพยาปาธธาตุนะครับ ความมีไมตรีกิริยาที่มีไมตรีเมตตาเจโตวิมุตในศาสตร์ทั้งหลายชื่อเรียกว่าอัพยาปาธาธาตุนะครับคือเน้นไปที่ว่า ก, กุศลนะครับคือเนคขมาธาตุอพยาบาทก็คือเมตตาทั้งหลายนะครับส่วนความตรึกความตรองความลำร็ิอันประกอบด้วยอวิหิงสานี้เรียกว่าอาวิหิงสาธาตุนะครับ ความการุณากิริยาที่กรุณาสภาพที่กรุณาในศาทั้งหลายการุณาเจโตเวมุติในศาทั้งหลายนี้เรียกว่าอาวิหิงสาธาตุนะครับอวิหิงสาธาตุเพนะราะฉะนั้นเนคขมมะได้แก่กุศลอภพยาบาทได้แก่เมตตาอาวิหิงสาได้แก่กรุณานะครับส่วนในคาถานะในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าพึงตรึกกุศลวิตกษามประการ แต่เพึ่อนำอากุศลวิตกสามประการออกเสียพระโยคาวจรนั้นแลยังมิชาวิตกทั้งหลายให้สงบประงับเปรียบเหมือนฝนยังทุลีที่ลมพัดฟุ้งขึ้นแล้วให้สงบฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นมีใจอันเข้าไปสงบวิตกได้ถึงสันติบทคือพระนิพพานในปัจจุบันนี้แหละถ้าเจริญกุศลวิตกได้ถูกต้องนะครับก็พ้นทุกข์ได้เนาะ บทว่าวิตะกะเยได้แก่ในมววสามแห่งวิตตกนะครับคือเนคามาเป็นต้นนะนะบทว่านิราเกเรความว่าออกจากสันดานของตนคือพึงบรรเทาอธิบายว่าพึงละบทว่าสเสววิตการนางวิจาวิตานิสเมติวุทีวะระชังสมูหตังความว่าอุปมาเสมือนหนึ่งว่าในเดือนท้ายฤดูร้อนเมื่อเมฆนอกกาลเวลา ก้อนใหญ่ตกต่ําลงมาฝนจะให้ฝุ่นที่กองรวมกันอยู่ที่แผ่นดินที่ลมพัดฟุ้งขึ้นไปโดยทั่ ว, วไปให้สงบลงไปได้ทันใดฉันใดหมายคือว่าเวลาในฤดูร้อนเนี่ยนะครับสมมุติว่าในเมษาใช่ไหมฝลมเนี่ยมันจะมาหอบฝุ่นเนี่ยคลุ้งคละคาเข้าไปหมดเลยทีนี้ฝนก็จะตกมาเนี่ยนะไอ้ฝุ่นที่กระจายไปหมดเนี่ยมากองรวมกันหมดเลยนะครับเนี่ยนะฝุ่นเนี่ยตกสงบระงับไปหมดเลย พระโยคาวจรนั้นก็ฉนั้นเหมือนกันจะให้วิตกที่ท่องเที่ยวไปในมิจฉาวิตกและวิจารณ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยวิตกนั้นสงบประงับลงได้ได้แก่ตัดขาดไปและพระโยคาวจรผู้เป็นอย่างนั้นมีใจสงบด้วยวิตกคือมีอารยมรคจิตนะคะมีใจสงบด้วยวิตกเนี่ยนะเป็นเนคขมวิตกที่เป็นไปกับอารยมรคอะนะชื่อว่าสงบแล้วด้วยวิตกเพราะระงับมิจฉาวิตกทุกอย่างได้ จะได้ถึงคือได้บรรลุสันติบทคือพระนิพพานในโลกนี้แหละคือในปัจจุบันนี้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจริญเนคข ม, มวิตกมากมากก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ถ้าเรามาเรียบเรียงตามองค์มรรคแล้วนะครับวิตกนี้อยู่ในมรรคข้อที่ที่2องใช่ไหมครับองมรรคข้อที่1ก็คือสามาธิฏิที่2คือสัมมาสังกัปป ะ, ามมาปะที่3คือ สัมมาวาจาที่4เรียกว่าสัมมากัมมันตะที่5เรียกว่าส ม, มาชีวะที่6สัมมาวายามะที่7 ส, มม ส, สัมมาสติข้อ8นะครับสัมมาส ม, มาธินี้ยกมาแค่องค์มรข้อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นีอ้อย่างถึงอัธยาศัยของเวนัยสัตว์นะครับ นะพระองค์ไม่ต้องตรัสเรียกว่าโหใช้คําว่าองค์มากคมาครบ8องค์อะไรเลยนะครับหรือเน้นสัมมาสติอะไรก็ไม่เน้นนะครับเน้นสัมมาสังกัปปะอย่างเดียวนะครับนะจะเห็นว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยหลากหลายมากนะครับหลากหลายตามอัธยาศัยของเวนัยศัต ร, ร์จริงๆเอ่อบางคนเนี่ยนะครับจะบรรลุธรรมได้เพราะเน้นสัมมาทิฏฐิพระองค์ก็เน้นแต่สัมมาทิฏฐินะครับถ้าบางคนจะบรรลุธรรมได้เพราะ สัมมาสังกัปะอย่างที่สูตรนี้นะครับก็จะเน้นเฉพาะสัมมาสังกัปะถ้าสูตรใดบางคนเนี่ยนะครับต้องเน้นวาจาพระองค์ก็เน้นวาจาอย่างเดียวบางสูตรเนี่ยนะครับพระองค์ก็เน้นที่สัมมากรรมตะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานบางสูตรเน้นอาชีพอย่างเดียวนะครับบางสูตรเนี่ยเน้นแต่เรื่องความเพียรบางสูตรเน้นสติมากบางสูตรเน้นแต่สมาธิเน้นแต่ฌานเลยนะครับทําไมจึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าศัพท์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์ไม่เท่ากันมีบารมีไม่เท่ากันนะครับ พระองค์นี้สามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ตัวเหล่าใดเนี่ยนะครับธาตุอะไรขาดไปธาตุอะไรน้อยไปพระองค์ก็จะเสริมอะไรมากไปเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อให้ปรับนะครับแสดงธรรมเพื่อให้ปรับเช่นถ้าคนมีศรัทธามากไปพระองค์ก็จะแสดงเรื่องปัญญานะครับเดี๋ยวศรัทธามันก็จะปรับตัวเองถ้าคนที่มีความเพียรมากเกินไปพระองค์ก็จะแสดงเรื่องสมาธินะครับคนที่มีสมาธิมากไปพระองค์ก็จะแสดงเรื่องความเพียรนะครับคนที่มีปัญญามากไปพระองค์ก็จะขายศรัทธานะครับ ก็คือจะแสดงปรับปรุงให้ให้ให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีห้าเป็นต้นเนี่ยนะครับประชุมกันแล้วจึงจะสามารถแทงตลอดมรรคผลได้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นธรรมราชาจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมในลักษณะนี้แล้วนะครับเวลาใครพูดถึงองค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่ขัดกับคำสอนใดให้อนุโมทนาไปนะครับ อย่าไปดึงเขาเลยนะครับแม้เขากําลังพูดเน่คำ ม, มะวิตกนะเรามาต้องสติสิต้องสติสิสสคนละเรื่องกันนะครับคือถ้าเขาพูดถูกก็อนุโมทนาไปนะครับถูกตามสูตรไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกสูตรนี้พระธรรมราชาสอนหมดแล้วให้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับศรัทธาสูตรไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยฟังสูตรนี้มาจะหลับให้ได้เลยนะครับฟังอีกสูตรหนึ่งอุย้ยยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริง ฟังอีกสูตรหนึ่งซึมไปเลยนะครับฟังอีกสูตรหนึ่งนี่แมงมันหึกเหิมนะครับหึกเหิมไปหมดเลยนะแสดงว่ามีความแตกต่างกันมากในาธาตุของศาสตร์ทั้งหลายทีนี้พระองค์นี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับและสูตรเหล่านี้พระองค์เป็นผู้ตรัสเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะสาวกกันนะอย่างน้อยที่สุดได้ยินได้ฟังก็ก็ดีแล้วนะครับอย่าไปปฏิเสธเลยเพราะว่าคําสอนเหล่านี้มีรสเดียวนะครับคือ มีมุติรถนะครับสอนให้พ้นทุกข์ได้นะครับทีนี้เราไปปฏิเสธก็เท่ากับปฏิเสธแนวทางแห่งความพ้นทุกข์ปฏิเสธพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความคิดลักษณะนั้นมีโทษนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้ก่อน